ลองสูดลมหายใจเข้าไปยาวๆลึกๆให้ทั่วท้องสักช่องสามเที่ยวแล้วก็ผ่อนลมหายใจมายาวๆความรู้สึกสัมผัสของลมหายใจที่วิ่งเข้าวิ่งออกกระทบปลายจมูกของเราก็จะเด่นชัดนั่นแหละให้เราสร้างความรู้สึกรับรู้แล้วก็พยายามสร้างให้ต่อเนื่องตั้งแต่ตื่นขึ้นมาตั้งแต่ยังไม่ลุกจากที่พอรู้ตัวปุ๊บเราก็กระตุนความรู้สึกปฏิกิริยหายใจข้อของเรารู้ความปกติของจิตรู้ความปกติของกาย พยายามรู้ให้ตัวนึ่งแต่เราพลั้งเผลอเราก็เริ่มใหม่พลั้งเผลอเราก็เริ่มใหม่อันนี้เป็นการเจริญสติให้มีให้เกิดขึ้นในกายในใจของตัวเราเองทุกคนก็ฝักใฝ่ทุกคนก็สนใจในทางหลุดพ้นในทางดับทุกข์ในทางหลุดพ้ น, น, น, พนมีจิตที่เป็นบุญมีจิตที่เป็นกุศลกันทุกคนแต่การสำรวจการทำความเข้าใจการโน้มเข้าไปศึกษาเข้าไปค้นกว้า เรื่องจิตเรื่องการเกิดการดับของจิตลักษณะของจิตลักษณะของความคิดตรงนี้ยังมีไม่โตเนื่องกันมีนตั้งแต่เอาปัญญาแบบกโกลกไปคิดไปวิเคราะห์ไปพิจารณาว่าจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เราก็ทําตามความคิดทําตามอารมณ์อาจจะถูกอยู่ในระดับหนึ่งในระดับของสมมุติแต่ในหลักธรรมแล้วก็ยังหลงอยู่เพราะวาจิตยังเกิดกจิตยังเข้าไปรวมกับความคิดอยู่ หรือว่าเข้าไปรวมกับขันห้ายูจนเกิดอัตตาโตัวตนทําอย่างไรเราถึงจะเข้าใจเรื่องอัตตาเรื่องอนัตตาเราก็มาสร้างความบรึกรู้ตัวสร้างความบริสุทธรับรู้แล้วก็พยายามสร้างให้ตโตนึง่งระคับประคองให้โตนึง่งจิตของเราเกิดความกั ง, งวลก็เรารู้จักดับจิตของเราเกิดความผงซ่านเราก็รู้จักดับจิตเกิดความลังเลสงสัยจิตมีความอาฆาตพยาบามตรหรือว่า สติของเราพังเพลือเราก็ต้องพยายามสร้างขึ้นมาใหม่ต้องพยายามทําความเข้าใจให้ชัดเจนว่าอะไรคือความบริรู้ตัวแล้วก็พยายามรู้ให้ต่อเนื่องกันได้ยอย่างรไรทวนจิตนั้นบางทีก็คิดไปเรื่องโน้นบางเรื่องนี้บางสารพัดเรื่องที่เขาจะคิดบางทีก็เรื่องอดีตบางทีก็เรื่องอานาคตบางทีก็เป็นกลางๆงบางทีก็เรื่องภารชนาที่กันงานแล้วแต่เขาจะคิดบางทีก็ความคิดผุดขึ้นมาปรุงแต่งจิต อันนี้ถ้าเราไม่ฝึกศึกษาจริงๆ ก, ก็อยากที่จะเข้าใจนอกจะเข้าใจอยู่ในภาพรวมว่าเราได้มาฝึกกัดปฏิบัติว่าเราได้มาวัดจิตใจก็เป็นบนุญจิตใจก็สบายอันนี้ก็เป็นบุญอยู่ระดับองค์สมมุดเท่านั้นเองแต่ก็ยังที่จะเข้าไปคลายความหลงเข้าไปละกิเลสอันนี้ต้องมีความเพียรในขั้นสูงสูงทุกเรื่องในชีวิตประจําวันของเราที่เราเข้าไปยุ่งเกี่ยวตั้งแต่ตื่นขึ้นมาตั้งแต่เรื่องกินอยู่หลับนอนขับถ่าย ไม่จิตของเราเกิดความอยากเกิดความมินดีเกิดความยินร้ายทุกคนก็มีบุญจึงได้เกิดมาเป็นมนุษย์ทุกคนก็ได้ปฏิบัติธรรมกันมาตั้งแต่ก่อนไม่ใช่ว่าจะได้มาปฏิบัติแค่วันหนึ่งวันเดียวถ้าไม่ได้ฝึกหัดปฏิบัติมาไม่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์หรอกในเมื่อได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วก็ได้ผ่านการผ่านเวลาผ่านการศึกษาผ่านการเรีเรยนรู้จักดีรู้จกัจกชั่วรู้จักสร้างบุญสร้างกุศลอยู่ในระดับหนึ่ง แต่การเจริญสติก็ไปทำความเข้าใจในส่วนละเอียดของจิตนั้นบางคนบางท่านกขอทำอยู่แต่ทำไม่ได้ต่อเนื่องเราต้องพยายามมาศึกษาให้ต่อเนื่องน้อมกายของเราเข้ามากายของเราก็เข้ามาถึงกับในวัดแล้วก็มาศึกษามาทำความเข้าใจการเจริญสติที่ต่อเนื่องเป็นอย่างนี้การดับการควบคุมจิตเป็นอย่างนี้การชาระสะสารกิเลสเป็นอย่างนี้ ไม่เชว่าไปอยู่ที่โน้นจะรู้ธรรมไปอยู่ที่นี้จะรู้ธรรมถ้าการกระทํา m ของเรามันไม่มีมันก็ยากที่จะเข้าใจถ้าการกระทํา m ของเรามีถึงพร้อมนั่นแหละมันกิเลสความอยากความโลภเกิดขึ้นเมื่อไหรเราก็รู้จักตัดรู้จักละไม่ว่าพระวิโยมบัจีเขาพยายามพิจารณาเอานะพยายามพิจารณาพยายามไปสร้างไปทําให้มีให้เกิดขึ้นก็จะเกิดประโยชน์สําหรับพวกเราทุกคน ให้เข้ามาร่วมกันให้เข้ามาถึงที่นี่ก็ให้มาเหมือนกับมาอยู่บ้านของเราทํากายให้สบายทําใจให้สบายสถานที่ก็เป็นสัพยะที่พักที่อาศัยที่หลับที่นอนที่อยู่ที่กินก็ไม่ได้ลาบากมีอะไรก็ช่วยกันจิตใจก็สบายเราก็พยายามดูแลรักษาความสบายเอาไว้ทุกุริยาหมดถ้าจิตเกิดกิดเลสก็อับลบอัโกดเราก็รู้จักดับจิตจะเกิดความทะเยอทะยานอยากเราก็รู้จักดับ ฝึกฝนทีละเล็กทีละน้อยมันวิเคราะห์มันพิจารณาเอาไปใช้ก็สมมุติเอาหน้าที่ภาร ะ, ะหน้าที่การงานเป็นการปฏิบัติทํำการทําการทํางานนั่นแหละคือการปฏิบัติถ้าเกิดคลานเรามีความเกิดคลานไหมเราก็ละความเกิดคลานเรามีความเสสละไหมถ้าเรามีความเกิดคลานละความเกิดคลานเพิ่มความกัยันมันเปลี่ยนเข้าไปสร้างสมมุติให้เกิดประโยชน์จิตของเราก็เกิดกิเลสหรือไม่ถ้าเกิดเรารู้จักดับ แม้แต่การเจริญอานาปานะสติตั้งจะตื่นขึ้นมาสติของเราต่อเนื่องกันแล้วหรือยังจิตของเราท่งออกไปข้างนอกสักกี่เรื่องเป็นกุศลหรือว่าอกุศลเราดับได้ไหมเราควบคุมได้รนะดับไหนเราจะไปอย่างไรมาอย่างไรเรามาอยู่กับสมมุติทําอย่างไรเราถึงจะทําความเข้าใจกับสมมุติได้จนจิตของเราไม่ต้องเข้าไปเย็บมัน่นถือมัน่นมองหาหนทางที่จะเดิน เดินให้ถึงจุดหมายปลายทางว่าเราจะได้กลับมาเกิดหรือไม่กลับมาเกิดเราต้องพยายามเดินออกแต่ยามมาน่าตั้งสติรละลึกรู้การหายใจเข้าออกสักพักระยะหนึ่งเช่นก่อนทำใจให้สบายทํากายให้สบายสมองให้โล่งจิตให้ปลุกมีความรู้สึกรับรู้อยู่ที่ปลายจมูกของเราให้ต่อเนื่องกันสักพักระยะหนึ่งเช่นก่อนนะ